เฉลีวเฉลียวไปตีหันฝนนีไ่ได้แต่ตอมนรอบปีเปได้ตอนนี้เป็นของรอบปีเป็นของเฉลีวเฉลนะเอารอบปีกลัไปอย่เฉลียวนะคุณเงที่มีที่ขอมเจนเ็ทูว่าเมาีอนรรยาขอ่านคนนึงก็ตายไ ป, ไปแล้วมอ นาสาวพี่ควรการสารัอกสงก็กลับไปอยู่กับพควนพีพี่เสีแล้วและท่านเจ้าเห็นว่าคนจะไม่กลับมาอีกแบบนี้ท่านก็หาอะไยาไม่ท่านเจ้าเห็นว่าการขัน้นไหนก็หามีผี่ใดเอาใจใส่ไม่ของเจงมาพูดขึ้นยังท่านเจ้าเราตี วนจงคืพระเจ้าหันเต็มแต่ก็เดี๋ยพระเจ้าจรออีเนี่ยพระเจ้าจรอปีก็จรงว่าที่ทว่านี้ชอแล้วแต่เราจะคิดประการใดเราหมตง ก, ก็จรงอ่าข้าพเจ้าเลือกดูแล้วเห็นว่าน้องสาวของหมออี้คนรูปกลงามมีสติปัญญาการงานตั้งเียงกับขยันขันเป็นกุลสตรีเราเลื่อมูนที่นี้ จะมีนินสืบไปข้างหนา้าแต่ก่อนในเรื่องมอี่เนี่ยจะยกให้แกเหล่ามอผูกเป็นหุดของเหล่าเอี้อนเรื่อเหล่ามอก็ตายแล้วก็ขาให้ท่านรับนงสาวมอี่เข้ามาไว้เป็นห่นเหมือจะสมควรรับเข้ามาเป็ น, น า, าหาอยู่ข้างในประติวังเพอจะบอกติดตังหอมกุงวัน น, ววนี้นก็คิว่าเหล่ามอคน ก็แฝดเดียวกันกันกบเราถ้าหลวงมีอย่างทำนีนที่จะประทัได้า อ, อยู่หลวงพก็คิดว่าในอย่างทำเนียม น, นั้นก็ระวังแต่พี่น้องที่สนิมีขเจันว่าจะจะวลตาย ก, กันนะถ้าจะเอามาเป็นเียก็ควรอยู่เ้าเจ้าราบีก็เห็นชอบเียดก็จึงแต่งคนเนี่ยไปรับ ม, นมันอ่ามโนศีมโนศ เป็นน้องสาวของนออีเข้ามาไว้เป็นนางหื่นอยมามืงองนอซีนั้นก็มีมุชายสองคนคนหนึงชื่อเหล่าเองอีกคนมีชื่อเหล่าลิมีมุชายสองคนอ่ะมีมาวันนึ่งมีคนมาบอกผนเม่งว่ามีเป็นเหตุการณ์ย้อนหลังก่อนนะครับทวนหลังไป วันมีคนมาบอกเอ้ขอนเบ่งว่าซุ้มกวนอ่ะใหมาขอลูกสาวกวนอูคื อ, อ, อ จ, จูกระดิ่มพี่ชายขนเบ่งไปมึนเกงจิ้วเป็นพ่อคือขอลูกสาวกวนอูให้กับลูกชายซุ้มกวนเอยนอูไม่ให้ข่าวข่าวนี้มาถึงขนเบ่ลงละคนเบ่งก็จิงว่าแกที่ปรึกษาทั้งเปรีวว่าคืขอขนเบ่งพูดเลย เป็นผก็บรรดาเจ้าว่าเมือนเกงจิ๋วจะเป็นอันตรายชอบไปเรียกหาเวรอูอมาเพื่อจับเกงจิ๋วแต่ผู้อื่นไปนั่มืองเกงจิ๋วแทนเกเบ่งว่าอย่างนี้แต่ก็ยังไม่ได้ทำนะครับคุก็รู้ว่าจะเป็นเช่นนี้แล้ยูมาวันหนึ่งเวหิวหลูกชายวอูก็ถมาบอกอเบง มีมิสูรินว่โจโฉให้อีกกินบังเต็ก ม, มีเขาย้อนความ น, นะครับย้อนความตรงนั้นโจโฉให้อีกกินบังเต็กคุ้มทหารมาตีเมืองเอื้องเสียข้างฝ่ายกวนอูนทำกลฝึกเป็นหลายเดือการก็มีชัยชนะอ้าวมีขา้าวพยอยเข้ามาละบังเต็กวาดเล่มศพไปรบกับเล่มอูนะ คามผ่ามาแล้วแล้วตอนนี้คุดูด้วชชนะนีเอารายงานเข้ามาเีวอาฉบับทีว่าฉบับมีไม่อีกวันนี้าหงมิ้งืใบบอกมาถึงคนด้งซื้อหรืว่าเมือตกแต่งเมือเก่งจืดและเมืเงองเอื้อนเสืยมีไข้คุคูประตูหอรบมันคมต้องทางบกทางเรือคนดึงก็เอาเรื่องราวม้งซือสึงฉบับเนี่ยไปแจ้งแ่พระเจ้าเหล่าปี เ่อเจ้ารอปีเด็กวันก็วางใจปฏิภาณนมกี้ น, นีเป็นเหตุการณ์ย้อนหลังทั้งหั้นีนะครับอ่าทีนี้เข้าเนเหตุการณ์ปฏิบัติละเ่อเจ้รอปีดูนมือเสียชวนนีงดึงใจมาก็ไว้วางใจนี่แต่คนบ พรูว่าคุณอุปภิเศษคำขอของขึ้นเตวียนก็แบบมีเกวงจยจีจะเป็นอันตรายคุณจะให้คุณอุกามาเสียให้คุณอุนไเฉยเฉนให้คนอื่นไปยูแทนแต่ก็มมไม่ได้กระทำอะไรวันให้เกิดเหตุขึ้นคือพระเจ้าเราปู่นี้ไม่สบายเลยก็ไทยเยง จะนั่งก็ไม่เป็นสุขจะนอนก็ไม่เป็นสุขเดือดร้อนรำคาญใจเมื่อเรียวร้อ ย, ยละคนเวลาขึา้นเข้านอนก็นอนไม่หัเพราะเสาราปีก็ออกมานั่งสิกเกอรอีกอนังสมาอ่านหวังจะสมายใจแต่นาอ่านหนสอยูน่นนก็เคลิมม้มไยล่ล ถลมว่าเปเี่พัตเตียงแทบจะหนักละแต่ก็ไม่นักกบเปนเ็นจะกระติที่แสไปถึงคนยืนใกล้ๆตะเกียงนะพระเจ้ากราติกก็ถาม่าใครเดกหาเข้ามาป่านนี้คนที่มันี่ยืนอยู่ข้างตะเตียงน่ะ้ไมิกเด็ก่วยย ออเพื่อรอปีสงสใสก็ยืนขึ้นดีแล้ไตก็เห็นเป็นเอ้องเอือดึข้ามาที่เตียนนงยยยนี่นะหนุูก็จินตนานอไปเจ้าดูดียูนีดก็มหาพี่ปานเนี่ยเหตุผลประการใบเราทั้สงสองรับ ก, กันเหมือนพี่น้องร่วมขาย ส, สดูเดียวกัน ตกรกโรธพี่เรื่องรายะพูดพ้วยคนอื่ น, นม่อี้เล่าตีว่าฉันก็ร้งไห้แล้วก็พูดว่าขอให้พี่ไปยกกองทัพไปแกแค้ให้ข้าพเจ้าด้วยคนอื่นะอนพูกนี่แหละก็มีนพัฒมาอีกนิมันึ่งตัวล่าตีเล่าตีมาสั่ ง, งสะานเตือนขึ้นมา แล้วไปก็เหนือค่ะเนเืนเ่อกวนอีกก็ตกใจแล้วก็เรียนนีเป็นความสั ง, ง, ง, งสยยนนะถงาาง้าเรียนไม่ยินเขียนกองย่ำเพี่งคืนออกต่ยกระต้นยิ้มายนใจินะพอเป็นกระทำอะไราออกทันต์โรที่วัดเปา น, ททนะที่คืนมันยังเจ็ดที่คืนแล้วก็มีเดื่องรอเลย ต้องเข้าใจก่อนเราวันก่อนเ็นออนแอบริวาก็ต้องีผู้มีผู้จัดกทรมีเจ้าอาาสจะเป็นคนต้องท้ามือนะบางคนอาจจะรับผิดชอบไปไปตัวเพราะอย่างนั้นอีกแล้วแต่ถ้าเกิเื่องแบบนี้ยากจะติดใจตกใจไม่เราะต้องต้อต้องต้องต้อง เราต้อะวัก็คือต้องมีความใจรักใจความเงินดอตังความควที่งก็เห็นว่าีเป็นตังเรืเงินดีเ่คก็ตงเราตะาะีก็กาที่จะเรียนอาธไทยว่าอุปสรรางอย่เหตุก็เพราะอองเราเองมารวมถึงคอ่น้ รนประหยัดนก็เลยหนูปรนี่ผมงโนมาปลอกโยนไปตัวริ้วท่านก็เชืว่าตัวริ้วก็เมื่อยย้ายเท้าเลมือยังไหเป็นพ่ถานต้องมีคนะผมผมก็ไว่านี้แ้ยนก็ทนแนนี้ คนที่เสียที่เลยแล้วคนนี้ก็มตัดอต่ถึงจะตื่ก็พยุ่งาว่าาจะ้มาหอก่ความทุกอย่างีขะองราวเรือยเอมไ เราจะมาเตรียมตัวเตรียมตัวบ้างนเมอือเตรียมที่จะทำอะไรเอือเตรีมีจะทำอไรใครเตียมใคนเดิมอยู่คนเดิมก็จริงนะถ้าจะมีดาวจะต้องมีตัจริงนะเตรียมเล่าขาววทยุนะเตรียมทีูดอย่างตรีมอื ี่จะตามมาเจอว่านนิ้คนเพขอกาก่อนหนทจะกระวงค์จเป็นกข์พี่จะม่สิ้นก็ักระตีมาถึงไม่มีคน่กันก็หยุดมมีเสีแลก็สามรู้สึกอนี้เป็ไรที่ที่บอกเราตี จะตัวท่ทก็เป็นตัคตลาดเป็นคนย่ำดีมาตัดแลเป็นทงได้ขอท่านอย่าเป็นทุกข์อีกตเพราะ่เราก็จอ้อตกับเราทุกานอยาฟังมาเป็นใจตัดเป็นดุจกันตัดตายดุกัน้ากคนอีกตายเป็นจรแล้วพระเจ้าจะอยู่ไป ท่านนี the past, ้ก no so ็มีคนเข้ามาูว่ามเรอิงสืมายคนแก่คนก่เเชีวิตเาื่นแต่กลางคืนเพื่อเราตก็แค่เที่สองก็มันเบื่อเลยตีเดียวหอว่าจะต้องีเรื่องนะคนที่สองนี่มาจาคนสูงอายือคนสูเรียกับอิกา หัหมดี้มเสอะเรบเรี ย, ยอ น, รนอี้าทัไปตั้งอยู่เมืองตกเสียใครมาขอก็ม อ, อทัไปเพื่อนีแล้วก็คนนี้อ่วาเยยังไม่ถึงจะแก้ปหรือออกมหรอกจ่าจะถูปนี้จะหัดนี้หรอรว่าเหนมือก่อนสิ จะขอเข้าเจ้าเจ้าจรอตีก็สั่ให้เอาตียงเรือหัวเข้ามาเปา 1, า้าทันตีนี่ล่อถ่าเคาะหายางายารอะไรก็อะไรก็พ ร, ระบงังนสมัรัดงนสมัระบัดตันเามเนี่ยเหัวนี่าเราตยากราหรี เปียนลักษณะโซนโซฟิสต์บเดเพราะอวิสต์โขกระพุมตอนย้อนเหล่าคนดตาไปยเปี่ยนอิเลเมนสำเร็จนะคนในตัวเไมรเลยาร้เื่อเียวพนักเื่องเลี้ยวละเื่องเลี้ยวกายกยยามให้บางคนก็รอหืมอะไทีเด ข่าวสำคัญนะมถึงก็ือที่เปียนมาดีมีบีนเอียอ๊ยให้มีสีไปถึงเล่าห้องเบ่่อยกฐไปช่วยเล่าห้องเตก็ไปี่เ้ารพิสตอนนี้ตจจว่าพระคดังนั้นเปียอนอมีสีไปเท่ร ว่แม้แต่จะใช้คำว่าตายอะคว ม, มยิยก็าเป็นยิ้มแตู้ก็พูดว่าเาหงร่ตัดนีท่ถึงตาย้ อ, าจายยอจะทกข์นกเพเจ้าจะขอยกฐาไปชมเป็นสีะมีเอีเ้ยงสจะขวีมรเารก็จุดจังจะมีมื้สีเ็สีหหุ่นถ้ายกกองทัพมาช่วยเราจะยกไปด้วย ยังไม่ทํารุ่งหรอกยังไม่ท ουν, ันที่ยงพ่กะรม่ไ้เรายังเด็กหมดยังไม่นูวทันเวงาเลยยังไม่สันจรุ่งสว่างก็มีทหารในกองทัพเปียนอีกแต่ทัพให้นะเขามาดูว่บังเปียโนอีกเปียโนตงเวลาัพไปถึงเขาเจ้าสังพวกทหารข้นวนจับได้และฆ่าตายไปเลย ฉำคัญแม่ทับแม่นอนที่สุดข้ามาถึงจนอดด้วนตัวได้างบัลลุนก็ร้อนไงถึงกับตีลมอย่ตื่นเตกลางถืงซึ่งสติผมก็มีไปเลยตีเดียวถึงงานถึง่็ตเข้าไปประคองตัวเองขึ้นมามีสติหนึ่งเมื่อสติผมก็ดีขึ้นมา คนเมืองผู้หงก็โผล่ประดับขบานยหยงคนรุ่นก็เข้ปนอปอบอ้ายใจว่าคำโบราณท่นว่ า, า, ามันคามตายนี้ย่อมมีในทุกคนรวมเอาหม่มักจนเป็นอิจาราคุณจะทุกร้่องหมดเียรักษาตัวไว้จนดีเถิดจะได้คิดอ่านยกกองพาไปกแค้ดีกว่า เจ้าเราปีกตัวตือนอเืิโดยสมบาลได้ตอกันกับเราว่าจะตายด้วยกันนับตนี้ก็ตายเลยเราจะเสวยราเอาความสที่เดียวหาเลนมว่าอว่ามันขาดคำละก็เห็นเติเตหินตาหิน พูกันแล้วพระเจ้าจราอปีมาก้อนความเศร้าโศวัยนิดหน้ราา้องไห้ด้วยความเสียใจอะไรรักเป็นที่ยิ้มดิการันตีนวยงาหัน5วันร้องเดงกับุนมาท้งถิ่งก็เทรวงกันเข้าไปปลอบโยนปล ร, ราวปลอบพระเจ้าจราอปีพระเจ้าจราอีคุ่นฟัทุกเบาะก็จิน ทำเงินตังตังกับเราต่นนี้ไปจะปองร้านกันไปไม่ขออยู่ริ้าอันเดียวกันเลยแนีลาดมาจะล้วจะตื่นเนจะรังทเงิังสังท้งนผนุ่งก็ทาเขากยินข่าวว่าต่เตียนอาทตะเอ็นอูไปให้เจ ไอ้เจ้าชู้เนี่ยตั้งอกเอื้นอื่นนี่คนวรจะบรรปันสักหน่อหญ่แใช่หรอเปาสั่งยาเราปีก็ถามว่าเหตุใดอ่ะเขาไปคิดทำการแังนี้จะสื่อาเอือนอีน้องเราผมดึงก็ตัวาึ้นเอื้อ น, นก็มีทำเอืหอวังที่เอเรากรกอกเถอา แจโถก็รู้เท่าคขึ้นเกวียนยีงไม่จงการส่งตกียอทงนมปราถนาที่จะให้เราพยาาเจ้าต่ให้เราหุบขึ้นเกวนะเป็นผู้ขับเกวียนเองพระเจ้าปีก็จีบเราจะยกกองทัพไปยกขึ้นเกวียนไปดแก้แ้ ดก็ห้าม่ย่าพี่ยกกองทัพไเก่อนที่ครการทงนี้จะให้เรากรธโจโฉและถ้าเรามีรู้เท่าเรายกเปลบกับโจโฉที่เกียนก็จะคอยดูอและจะเป็นผู้เอาทยชนะไม่พ่าหังายจนี้ก็ใครจะเราไปลบกับสี่เกลียน ส่วนตัวเองก็จะคอยดูเอาแล้วจะเอาภทํธรรมะหรือภยหลังเช่กันนบบถ้าเรายกอองท่าไปนะ่ะแบบนี้ก็จะสหความคิดหรืฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งจังสองฝ่ายเนะี่ยบางท่านเห็นโลกความคิดเราต่ำหาเรื่เท่าทางเขาไมา่เรียเป็นขอที่เป็นคนเหง พยายามไวยก่อนรับจได้แบ่งการสมกลุ่มอีลดรอยดีข้นเปลี่มนกับเถอเถอก็จะมีความพทนต่อ ก, กันดีู่ลกกันสั่งโจ้ต้องสอ่ายรถกันเมื่อยไบใครเสียทีเพื่อนพร้อม้ราต้อง ท, ทำการเอาต่อภายหลังเพจะสะบีกดเัื่อมันคงไม่จะชี้แจแผนเมื่อยวามนั้นกัน ท่านสามต่าก็คอยจ้องบวกฝ่ายหนฝายใดจห้เห็กับวฝ่ายอีกฝ่ายันก็จะขน่ำบทขยี้ซ้ำเติมภายหลังแต่ละฝ่ายแต่ละคนแต่ละพวกต่างก็คิดกัมอยู่จนเบื่อถึงกระดูกบอกติดกันี้พระเจ้าอกีิดกันเทราะห์เบือก็สั่งใ้เราจบกในเมืองเสฉวน เราเห็งตั้งเตียนุ่งขาวเหนนวเินขาวพู้ินผู้ชายและเห็นเตเครื่องไปตั้งริมประตูเมืองทางบ้านทิพย์ไปเราพอเจเ่าดีก็เอาไปซ่้อมาตามประเมนีงเรารองให้รักเรียนมีจิทุกอย่าง a l i t e bit m o r ถ้าเราจะยอมอะไนิดนเมื่อตอนคังที่โจโฉเสียโจเอบุกคอโจโฉฟังล้างมินทีจียเหมนกันนีโพอป่าไม่ปางถึงยังไรามาเล่าปีเสียเอื้อมอื่ น, นเล่าปีฟังล้างมงินกันสังเลยเหมือนกันแหะจะฆ่าหมดนี่ไม่ว่าเร็กเล็กด็กน้อยนี่ เราลองคิดเ ก, กียวกับความดูเท่า น, นั้ น, นะครับเรากล่าวกันได้ว่าสามก๊กทีเราฟังกันครั้งนี้เราจะดูให้หมดทุกแเน่ทุกมือนะครับเราลองดูก็ให้ทุกแหน่ทุกมือมาถึงตอนนี้เราลดย้อนไปถึงตอน น, อ น, นี้ดูก็ได้เป็นยางไงอ่าละมีคนจ่ายเราปีนี่นย น, นะครับเป็นอย่างนี้นอันนี้อภิริยาคนเดีย หนาต่อไปเริ่มเอาโจมี้เตยยำแย่ละเสร็เข้าวใบเตยไปเลยหลักตาลงอะไรก็เห็นเห็นอีนเรนั้นแหละเป็นอย่างนี้นที่สุก็ปลี่ยาเป็นงาผู้ใหญ่ว่ายังไงทำยังไงทำไมเป็นอย่างนี้เขาคนนี้มันดีนี้กันเขาบอกว่าวังเก่าเนีหมคือที่อยู่เก่าก็เป็นวังอยู่แล้วนะแต่มันเป็นวังเก่า ผู้พิพากมาใจะสร้างวังใหม่เอากันอย่างนนเทีเป็นสิบ ท, ที่ทำให้เจโ้โถูกนักประพิษ า, า, าสตร์โบราณตำหนมากที่สุดที่การที่เจ้ทโฉคิดสร้างวังให้เทียบเท่า่อจะเทียบเท่าแล้วนะ มหมอหัโตจะตอบไปอีกที่ที่ปรึกษาที่เราเหินแล้วของมหมอหัวตให้ท่านเจอนึ่ตโฉกคือพระเจ้าจมี อ, องคงฟัตงตอไปอีกว่าอีกครั้งมนมีคนขี้คนหนึงเป็นสีขึ้นมาที่หลังที่เปียกแฉบแฉบร้อนนะต้องหาหมอหัวโตมารักษา หมอหัวโตแล้วดีแล้วก็ว่าสอ น, นี้ขทมีสัที่บินได้อยู่ในนั้นหม ว, วว่าอย่างนี้คนูก็วหวเระนี่ เ, นเป็นกินยังไงไสัตว์ที่บินได้สสขึ้นกังสี คนตัวโดนวเวเาหมอวโผก็เอามีดผ่าหูมันออกนกกระจอกตัวนึงเป็อนออกมาแล้วก็บินหนีไปโรคมันก็หายดีดหมอวัวโต้มีฤทธิ์เมากครั้งหนึ่งมีคนนึ่งถูกซีน่ากัไอ้เวแม่พราวขา เนามีเปนก็บังเกิดเป็นก้อนเนื้อย้อยออกมาสองก้อนก้อนมีเก็ดหิ้ก้อนมีให้เกล็ดปีกต้อนมีให้คันก็หาหมอหัวเต๋มรักษาอ้ะหมอหัวเตเห็นแล้วก็กล่าวว่า้นเนื้อที่เกะ็ดนั่นนี่มันมีเข็มอยู่ข้างในสุเล่มก้นเนื้อที่ขันนัน มีลูกส ก, กามีสองลูกลูกมึนดำลูกมึนขาว อ, อมอหัวโตทำมาลูตาเห็นเลยคนไม่เงไ่้ก็ไเชื่อมันจะเป็นไม่ได้ยังไรเลยหมอหัวโตก็มีผ่าออกก็ด้เข็ม10เลื่นเป่าที่จะก่อนเนี้อแต่ผ่เก็ื่อมีเข็ม10เล่นจริงก่อนนี้ออกีที่คัน ก็มีฝูกสาสองลูกดำลูกขาวลูกเหมือนที่ว่ามันเป็นความจริงคนตั้งเตงก็สรรเสรินและเหมือนเทพยนาอืมที่ปึกษาหุ่นบรรยายความหนาวหัวโตให้เตียงเต็มโฉวันแล้วก็พูดว่าบักเงี้ยหมาวหัวโตมันมาอยู่ในตะบนกินเสียในตาบนกินเสียกับโลกเสวี่ยงกเบเมตสู ก่ยสูดด่กลายเปนแค่ดบนะกรอขอให้ท่านหาหมาอหัวโตมารักษาเถิดโรคท่านหนนจะหา ย, ยวปโชเถไดฟังที่ปึกษาพูนคือว่าหวัหวห ย, ยู่มาหัวหนุนลาวบรรยายคือสถาปนที่หาหมาอหัวโตฟังดังนี้ก็สั่งทหารให้เร่งรีบไปทั้งกลางวันกลาคืนทีเยอไปหาหมาอหัวเตมา ยังตระเปนเสียจะไปเชิญท่านหมอเวโตมารักษาท่านเจมินโตโคือพระเจ้าวอหที่ไปเชิญตัวหมอเวโตมาแล้วเมื่อหมวโตมาถึงเอากลอบไปก็ใหแหกเสือดูเส้นที่อมี เสือนี่ก็คุณมีเสือ้อินครับาถึงใช้คาว่าห่นเสื้อเนี่ยตัวใหญ่มีแขนเสื้อก็่ใหญ่คุณมีหมดละก็แหวกเสื้อดูเส้นดีคมดีพอดูแล้วหมวอหัโตก็ทำามเพราจะมี อ, อทีเดียวหรือทไมโตโฉดทีเด ว, ว่าโรคท่านอันนี้ยเล่เสียแทงในที่ปา ท่านกินยามะนกมาก็หาชอบกับโรคใหม่เม่ถูกปรปโรคจะรักษาโรคอันนี้โดยยาดินมและยาทานก็หาหายไม่โรคอันนี้ชอบที่จะให้ผ่าจึงจะหายดูเมืม่อติดศีรษาเจ็โถปิดศีรษามากจะต้องผ่าศิษา โตโถก็ถามท่านท่านจะผ่ายังไงหมอโโต้ี่ว่าเขจะให้ท่านกิยาให้มึนเมาไปไม่รู้สึกตัวแล้วก็จะผ่าศิรษะด้วยขวานอันคมแล้วก็จะทำร้าโรคในศีรษะให้หมดแล้วก็จะประกับให้เหมือเก่าแล้วก็จะเอายาทาให้หาย ก็จะหายขาดเราฟังกันพอดีมีใจความพอดีหมอหัโตก็จะต้องริ้จักวิธีวางยาตลบอย่างหนึ่งอย่างใบแม่น่อยน่ครับคือกินยาให้บุญเมาไม่รู้สึกสตัวคือไม่รู้สึกเคลื่อนตัวลบไปแล้วก็จะผ่ามหมอหัโตต้ อ, ทองทำนา ก, การผ่าตัดเป็นชั้น เไม่ยังดี คุณผ่าลแล้วนี่ไอคนนี้คนจะคิดคิดกันกับคุณอูเป็นพวกคุนอูทำโกงมายามาจะฆ่าเราให้ตายเปนแม่โจขาก็ฟังในฐานทายควานท้งก็จับเาห้าหัวโสมจปใส่คุดเลยแล้วก็มันจะเที่ยงถาเอามืกควานตลอภายหลังตาสิ่นที่ปรึกษาก็ยิงเข้าไปห้ามว่า ท่านไปครอบเมื่อจำรายละียดก่อ น, น, อ, นอันนีนหมอเหรอตัวเนี่ยทั้งแผ่นดินก็นับถือดีนะและทุกวันเนี่ยก็หาตัวเส ม, มือนได้แล้วลอยที่จะมันอันตรายไปลยเลยขอเถอะว่าประวัติเลยหมอคนนี้มันคิดอ่านไปทำร้ายเราในครั้งเนีก็เหมือนครั้งเก็บเตงเก็บเต่งคิดไว่แก่เราแต่ครั้งนู้ น, มมนด ไ, ไ, ได้คนามคนขี้่านถามเรื่องความไมนได้ ก็ฟังทหาแม่หมอวโตไปขังทุกทหารอหัวโไปสวนุ วันนี้เท่าเท่าอย่างนี้มีการมาเป็นทนะี่คุ้นอยู่หมาเหวอเต๋อก็เขียนเสือจะเห็นคุณคุณเอาอะไรเนี่ยคุณเอาอะไรก่อนนี้เขาเนี่ยทำไมเยอะเต๋อเนี่ยจำเลยมันอิจฉาตอนนี้เสือจะพยายามหมาเหวอเต๋อพยายามหมาเหวอเต๋อก่อมาตัญมมากเนี่ะพุกอิน ก็คอเป็สิ่่ที่เราต้องู้คือตากตท่้าเาจะมองลมกที่จะมีหมกที่ขดแจะูีกทกระกแล้วก็หมอกต่างนี้าจะพูดคนพูดคนนี้ได้ต่าดกแล้วก็มีความยนย ความรั e มี a วมสามทุ่อัะสูหายอยีด้อยูกับในใจสามตกทมาเหมือนขึนมายว้องจะติดกัเ่ปตนัวันนี้วิสัยวิสัยดนาใน จารรักษาจะผลดำานไดยองสามที่เป็นร่างกมันถูกขับออกไปถึงตางประเทนี่แล้วหขอมาจาต่างแนนี้วันนจะเปอางรต่อไปจะเป็นยังไจะเป็นถูกตัดถูกตึงตงกันต่างประเทศนี้กัน ทีเป็ น, รนประยชกมวตมี่เสร็ที่เป็นครูของท่านนักรว า, านักงสือพิมพเนตัวเลกเรืที่จะทำอะไรต้องการอะไรอ่ะไหเป็ น, นบระยาตอบดังนี้นหมอะไรผู้คนที่เป็นสามีจะเสียบอะหรทอยิ่งนักที่จะใสทอดใจใหญ่แลวก็คิดว่า Yeah <laughs> มีแตก็ปหีนไม้ต้นนม้ต้นไม้ต้นไมมนมนมมน้ไนน้้้ตมนมมนน้นตมต้นตน้มมนนไนไ้มไต ฝนก็ได้เดือดก็ดุตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็เปยื่นให้ตัวเธอรบกับแล้วปีเพื่อจะตั้งเพลิงทรมาร์กกับแล้วปีนี้เลยละโดยเธอแบบตอนนี้ผู้สื่อขัาวแล้วก็เดือร้อนแล้วก็เป็นว่าเพื่อเตรีมเตรี้เราไปหยุดการใส่ตัวเธอแบบนี้เย ผูกคนที่ปีกุนก็เป็นผู้ว่าท่เต้องเรื่เรท้ลยีก็ได้อั่ก็มาบริเวณน้ักษาดัที่เตเลพุ่มโพธสมภารยเป็นกแล้ก็มีการรับข้าวยินดีรักก็ทันมาเปาวเพิ่รย ที hey. mm. ่เป <in Pe covid> ็น uh. ต้นตระกูลนี้นี่นี่คือแม่ลูกยังนี่ตระกูลยศยังยศลุงยศลุงยศยังที่เป็นต้นตระกูลนี้เขาจะเลี้ยงคนเราเองก็จริงว่าเพราะเราที่บังบริโภตไปเต็มเต็มนะทำไมเราถึงรักเขารักแต่เราถึงยังเป็นตุ้มตุ้มเพราะเรา เราจะเป็นยังมีผีขึ้นมาที่มองเป็นเหมือนเหล่าเราจะตีตัวเป็นเจ้าขผ่นดินเพียงแค่เจ้าหญิงตัวนี้ไม่ขวนดูสิคุณหญิงตัวเขาที่มันติดยาวเลยทีเดียวเราจะตีตัวเป็นเจ้าแผ่นดินเพียงแค่เจ้าหญิงตัวนี้ไม่ขวนเราจะถึงกับพรหมีขี้มูอองเปนพระเจ้าเมื่อจะมีข่าว ทุกตัวมีจ <5, S 1> ีนีอย่างที่ทำในจเ็กีก็ยาที่ยอมนที่เที่ที่จะปี่ยเปียที่หนึงที่เพื่อเป็นตับใที่เาเกตัดทับท้อตัวนี้ีนีท่มีา้มบานจะเห็นทเบ ก็เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ผู้คนเปี่ยนแปลงใจเปลี่ยนแปลสิ่งที่เราเคยคุ้นชนคุณต้องรู้อาแตอละเรื่องเป็นสิ่งที่เข้าใจด เป็นอย่างนี้มีมีมีสิทธิ์หรือเปล่าเป็นอย่านีโดยเรื่องนี้เองเรื่คุณภาพตลอดความสัมพันธ์เราต้องรู้จักกันก่อนว่ามันคืออะไรมันคือมันคืมันคือสิ่งที่เราตงรกกันก่อนว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้เรา พอรราทนหน้าน้มาดูส้มวดอย่างนี้คนเรียนมันจะทำไดต่สุด้ายก็จะจบเพราะเพราะคณะทำไม่ีะเรอนมัที่นะมจะไปกลงโยทมยินเลยมันอ่านหนังสือสนจะท เราไม่สนใจต่อไปคุยกันต่ออีกทางเป็นทางเลือกใหม่ที่ไม่มีเงื่อนไขใครอย่างใครไม่รับเลือกตัวเราอย่างไรต้องมีความรู้สึกนี้ต้องมีแบบสิ่งนี้มาสืบต่อไปต้องมีวนตถุ ดูที่โต๊ะทุกต๊ะทกโต๊ะทุกโต๊ะทุกโต๊ะทกโต๊ะทุกโตนะทุกโต๊ะทุกโต๊ะทุกโต๊ะทุกโต๊ะทุคโา๊ะทุกโตะทุกโต๊ะทุกโต๊ะทุกโต๊ะทุ่โต๊ะทุกโต๊ะทุกโต๊ะทุกโต๊ะทุกโต๊ะทุกโต๊ะทุกโต๊ะทุกโต๊ะทุกโกโต๊ะทุกโต๊ะทุกโต๊ะทุกโต๊ะททกโต๊ะกโุกโต๊ะท สุดขั้วดูเรื่องหนังสือที่เราอ่านมาดูเรื่องอ่านมาแล้วเราเรบยนก็เรียนมาเจอเหตุที่เราคิดมาถึงแต่เราเจอแต่ความจริงที่เราได้ยินก็เป็นเพื่อตัวเราเพื่อความเป็นประโยชน์ไม่ได้ก็สิ่งใดเลยเลยไม่ใช่ คนที่ยืนเปล่าๆไม่อยู่กับใครก็มีตัวหัวไปเรื่อยจนหนักอึ้งมีเป็นวิธีโกนหัวมีเพอนมาด้ยแลก็พายุพาไมเงินเลยต้องรับเงินเดือนตัวหัน้อรับเพิ่มบางทีเพิ่มสามเพิ่มห้ามาเริ่มหกเพิ่มเจ็ดเพิ่มแป เราทำเรเจ้เจก็รู้ดีทีันจะเริ่มพรอมกันแ้วก็จาพร้อมทักันตรงข้ามาที่หนึ่สิบปเต็ก็เห่เธอไม่ยุ่งเหยงติดั้งแต่มันี้เลยแต่ความนี้ไม่สามราหลอกลงมหลอกเหยื่อหรือสงเสีไปต่อได้เราบอกอย่างนี้ จะตกาันใดท่นปตวี็ทาลว่าขอให้ท่านวหออายกเตวีมาหัวหมออามเนรูสอนที่นือนกระจายฤทธิ์โยโถก็ท่าจะไใหญ่แล้วก็ทูว่าเริ่มบ่เ่อย่ วาคนีมา่อะไรางอย่างคนนี้แบ้คนนี้ก็มาถึงเรา อยูมากษาเนี่กษาทตางๆอย่างนั้นแต่เจ้โผบก็ไม่มีทางนี่เโผก็หงุด้งิดมคนมาผีสัตว์ใบใหญมาประทังเป็นผีเป็อย่างไรมนี่ยออยู่มาวันนี้โรคนก็กำรคหมาขึ้นยิ่ขึ้กว่าเก่ากระถุ่ยสวิสวายอ่อนเป็นมากทีเดียว เจะก็กินให้เยอหนึ่งเฮาก้นเข้ามาเฮายกตึ้นอนนี้แต่ก่อนจะต้องทำให้เฮายกตึ้นเฮายกยิ้งแต่เฮายกยิ้งจาะตึนทีแต่ยังเจาะเฮายกตึ้นเออจะผู้เรียนต้องการเจที่สำคัญ คืน้ว็บูอย่ปกติยยารเเ็น็มัีกา็เยทำให้เหดหนทหต้อนที่นกนี่สอนที่ตอ้เยมจะอ มายอกหอนเอาแค่หัวตุ้มันก็ถึงโน้มเลยเลยทีเดียวมาพก็เข้าไปยงแค่หัวตุ้มกลัมาแค่หัวก็ป่ยนหัวตุมสบอนีหัวตุ้มจะเขามาตัวตุมจะเขาก้าตัต้กนเ้องตุ้มตุ้ม้มเสี้แล มาอีข <información, S 2> ้ามาติดตัวมาแล้วก็เป็นภาพต่างๆระยที่จะเป็นบ้านเรือนตั้งเตียงจะคิดหน้างูใหญ่ทั้งสี่หรือคิดหน้างูคนที่เป็นเล็น้อยแต่ตัดสินคิดหน้างูใหญ่คนนึงนั้นที่เจอแต่ละวันใจก็มีสิ่งคนคิดหน้างูใหญ่ทั้งสี่เจอห้องต่างๆต่างสิ่งมัก็เป็นเ่ยา โรคที่แบบนี้หรือวาีาเป็นกรมากทางไตสําหรัที่ก็ต่อไปก็จะเป็รค่ป็นมะรมรมเรตับเป็นมะเร็งที่ากมากเลยแล้วก็มร็ง่เป็นต่มก้อนก็ร่ตัวยิ่งเป็นิ ต้นเตียงมือการสีเดี่ยวปีมือโสเขียนยังหิบหนักมากเลยครามเข้มข้นขึ้นถึงจุดซึ่งจะเป็นเพื่อนทิศทางแสงคลื่กับต้นเตียงสีใสอีกทีผมมองดังไรเราจึงตัดสินมากยิ่งมกกว่าต้นเตียงี่เรามีที่โตนี้ เราไม่เอนเราสีกัดดังในใจที่เมืองเตี้ยนเสียนั่งแต่ยังเป็นเราสีคนที่เราไม่เหมือนสีที่เร0ผีคนโจเตียนหมดเหลืองคนโจสิคนและโจยีีกคนเพื่อรายละเอียดที่ต้องโจคน อย uh, ่างตัวนี้ยังอยู่เราต้องมาติดอเง่รอคอย่อพาทานที่ก่อนหาไปต่อเตียงนี้มีตังอยู่กับี่นี่แต่ถ้าต้องการหาเงินี่นี่ต่เตียงนี้เคยมาไปเชื่อมต่อเพือตดต่อที่นอนี้ที่นี่มีสองอัตรา โยมตบมือดิสต่อมโยโจเเ้อหนุ่มธรรมดาจีนตัวนี้คโมนีก็เปคนโลกเหมรอนต่โที่คนเหญ่เปนคนหนุ่มมีติปัญามีสติปัญาความที่จะเป็นอะไรงไม่เคเป็นเลยเมื่อไรห้มนี่เมื่อ นเะไรีะียอนานสืนตอนสแล้วก็ี่าดมเนอเม้วกเรียนแล้วเป็นคนยเหอนือมที่อ่านั้นเนัยนเาจะอย่างเดิมแลก็สอส มันไม่แล้วที่ต้องเรียนเป็นอิสระตึกความตยึดตตั้งด้เรียนเตือนว่าทาที่เป็างันต้อยู่ใกล้ตึกท้ายแล้วก็ต้อเนเรานให้มีที่นยีเะเจะน่ ต้อมือาต้งมีนท่ี่ให้อย่างนี้ีสมีทงราี่ทงนมเมือใดสคกคนที่รรู้รสค โดเฉพาในเรื่องนี้เพราะเขาเป็นที่เดียวเป็นอย่างต่อเนื่องมาเป็นที่สุดเพราะตรืที่เกี่ยวกับการทนทีกัเรื่องใดๆเรื่องนี้นะไม่ใช่เพราะเขาเรียกสัตว์มีชีวิตี่ตัวที่เป็นแบบนี้เขาจะเป็นทางน้เจะเป็นขุดเส้นกับทำลายเขาบอกว่าเขาทำอย่างนี้ ให้ผมจบไปสองปีเดียวเราจะใรีวิวสองปีต่ิดิดอยู่เราจะจะเขาบอกต่อไปทั้งทุกดเพราะว่ามีคนขูดเตียงมีอยูมีคนขูดมันจะขุดขุดมา้นมาเยอะเจ้าเด็กที่เรายังก็ชอบใจใหญ่ อย่าล้มลงท่าใจตายให้เตอเผื่อตายเป็นเรียนสองมือหนึ่งหักหักตีเพื่อเรียนต่อ เรืองดีบสนเรื่อนี้็ที่มีรอาัตนมติมันจะเ็ตนตีา้งท่จะเป็นคดีน้รความรู้สึกมนก เมามีพ้นฐานเรามีใช้เรามีเท่าเท่าไรตัวอย่างก็มีตายตัวอย่างก็มีตายก็เป็นคนกันอย่างนี้ตัวอย่างก็จะว่าตัวอย่างที่นี้มันเป็นเวาควรจะเป็นตัวอย่างเป็นสีตัวอย่างโถงก็เป็นเท่าเท่าอยู่อ๋อตัอย่างก็เป็นอะไรก็เริ่มให้อิ่มตา ต่้มขึนมาม้นมาอย่าเพิ่งร้องหไ้น่มเอตนกัวมีายสิบตัวจ้าเลกต้่อืมคนที่อยู่เรือก็เห็นตุ้มขึ้นมาหิ้นุ่มเด้อบางทีมาพูดพูดมาหิ้วหนมมาพูดพู่มเพระเนนึงที่มันหิ้วต